อนุโมทนาบุญบบกับคุณปรีชาลิมอวแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ผู้ที่มาร่วมจัดงานฟังธรรมในวันวิสาขะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท, ท่านที่มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมะได้มาร่วม งานในกิจกรรมการฟังธรรมในช่วงวันวิสาขะในวันนี้ด้วยผมก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาร่วมทาบุญในครั้งนี้ในฐานะของอุปกรณ์ของประธรรมก็ <g iggle> <g iggle> ここจะมาพูดคุย uh ให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิต ด้วยการอาศัยธรรมะเป็นแสงส่องธรรมนำพาชีวิตเราไปสู่ความหมดสิ้นปัญหาการฟังธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบา ร, รมีธรรมเป็นปัญญาบา ร, รมีฟังเอาไว้เพื่อจะได้นำเอาไปใช้ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาชีวิต <Yeah. S 1> จะว่าเป็นการสะสมบา ร, รมีก็ได้ <Yeah. S 1> วันนี้มีหัวข้ออนะไรพุทธบา ร, รมี <Yeah. S 1> ถ้าเราสะสมเป็นนานๆเนี่ยเราก็คือจะกลายเป็นผู้รู้พุทธนะเพราะว่าผู้รู้ mm hmm. ที่จริงคำว่าบา ร, รมีเนี่ย เราอย่ามองไปไกลตัวเราไม่ใช่หมายถึงผู้มีอำนาจหรือผู้มีสิ่งที่คุ้มครองตัวเองให้รอดพ้นจากพญานาราชทั้งหลายบรารมีเนี่ยมันเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยอย่าไปมองไกลบรารมีก็คือมีแล้วพร้อมแล้ว เต็มแล้วจากการได้สร้างสมสิ่งนั้นมาถ้าในที่เราเคยได้อ่านได้ฟังมาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสั้ก็ส้างสมบา ร, รมีไว้เนียบา ร, รมีสิบทัศลยนีย้เราก็สามารถทำได้นะความเป็นพุท ธ, ธะอย่ามองไกลตัวอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ย คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นพุท ธ, ธได้ในด้านจิตใจความหมายพุท ธ, ธคือผู้รู้พุธธทธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน<ม>ต้องมีการสั่งสมบา ร, รมีมพุท ธ, ธบา ร, รมีอย<ม>่างเช่นคันติบา ร, รมีเนี่ยเราทุกคนก็ทำได้ขันติ คือความอดกลั้นอดทนใครก็ทำได้นะถ้าเราจะสร้างบารมีเกี่ยวกับคันติบารมีเช่นเวลาเราชีวิตเรากำลังเกิดความลำบากนะมีใครไม่เคยลำบากมั่งลำบากกายลำบากใจลำบากกายอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือมี โรคภัยไข้เจ็บลำบากใจคือความทุกข์ที่มันรุมเล้าจิตใจให้เราเศร้าหมองหรือหงุดหงิดอึดอัดอําคาญใจไอ้ความลําบากเนี่ยเราอย่ามองไปในแง่ที่ว่าทําให้เรารู้สึกท้อแทะบอกกาลังใจทําไมถึงต้องเป็นเราทําไมเราต้องมีชีวิตอย่างนี้ด้วยทําไมเราต้องป่วยต้องไข้ ทำไมเราต้องผิดหวังอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการสั่งสมบา ร, รมีธรรมไม่ได้สะสมคติบา ร, รมีใจก็จะเศร้าหมองเราพลิกจิตใจซะใหม่ขณะชีวิตกำลังลำบากเนี่ยพอเราคิดว่าเรากำลังสร้างบา ร, รมีธรรมมองไปในแง่ที่ว่าพัฒนาจิตเรากำลังสร้างบา ร, รมีธรรมคติบารมี ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความอดกลั้นอดทนนี่แหละถัว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายเมื่อร่างกายต้องป่วยต้องไข้อดทนต่ออารมณ์ทีม่มันรุมเร้าจิตใจ ความอยากความโลภความโกรธความหลงที่มันลุมเร้าจิตใจอดทนให้ได้แล้วก็และเรากําลังสร้างคติบรารมีถ้าเราคิดว่าความลําบากทําให้เราเป็นทุกข์ชีวิตเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าถ้าคิดว่าความลําบากเป็นการสร้างบรารมีขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะก้าวหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมนะการสร้าง มีแต่การเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะนั่งคนมีความทุกข์อย่ากท้อแท้นะช่วยเรากําลังสร้างคติบรารมีเราจะได้มีกําลังใจในการเผชิญกับปัญหาชีวิตคนที่มีความสุขก็อนุโมทนาบุญที่มีความสุขแต่อย่าลืมนะเรามีความสุขเนะ่ยเรากําลังใช้บรารมีเก่าการใช้มีแต่จะหมด การสร้างมีแต่จะเพิ่มสร้างเอาไว้ใช้จะไม่หมดเลยนะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยนะเนี่ยอันนี้เป็นขันติบา ร, รมีชิว้วประจำมาเราอีอย่างหนึ่งที่เราหลีกเรียกไม่ได้คือความเพียรความขยันใช่ไหมวิริยะบารมีความขยั น, น, ยยรร ค, ยนคนที่ขยันเนี่ยชีวิตจะก้าวหน้า ทำาไมขยันเนี่ยมีแต่ถอยหลังขยันคือความเพียรขยันทามาหากินเนี่ยขยันปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีนักปฏิบัติธรรมเยอะนะดูๆแล้วบางคนก็ชอบธรรมะชอบการปฏิบัติการเพียรภาวนาในการปฏิบัติ ขยันปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความเพียรบุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเคยได้ยินไหมวิริยนณะทุกขมะจิตะบุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรขยันปฏิบัติไปเถอะเราจะพบความสิ้นทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยฮะ ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจาวันสำหรับคนที่ปฏิบัติทำคนที่ทำมาหากินเราใช้ได้ทั้งหมดเลยใช่การสร้างมีแต่จะเพิ่มนะสร้างไปเป็นเรียกงปองการสะสมบา ร, รมีวันหนึ่งมันเต็มมันพร้อมแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถเอามาใช้กับตัวเราเองได้ทำเหตุให้ถูกต้องคือการสร้างสมผล น, นั้นไม่ต้องคำนึงถึงหรอกมันก็จะเป็นไปเองะ นะไม่ต้องไปคาดหวังในผลถ้าเหตุสมบูรณ์ผลก็ต้องสมบูรณ์แต่ต้องสร้างเหตุนะอย่าหวังผลเพียงอย่างเดียวต้องสร้างเหตุให้มันเหมาะสมกับผลแล้วก็นะเหตุกับผลแล้วก็สอดคล้องกันนะ่ะเราก็จะไม่ผิดหวังนะจะสมหวังนะอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยการฟังธรรมะฟัง จากวิทยากรจากท่านผู้รู้ต่างๆเนี่ยฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติตามถ้าฟังแล้วเอาแต่คิดว่าดีว่าชอบถ้าไม่นำไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนมีเงินอยู่ใ น, ในกระเป๋าไม่ได้ใช้สักที <c oughs> ต้องปฏิบัติตามนะจึงจะเห็นผล <c oughs> การปฏิบททัติธรรม อย่ามองไกลตัวอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เพื่อแก้ปัญหาชีวิตสุดท้ายเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการปฏิบัติธรรมคือการมารู้จักตัวเอง <c oughs> ธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรา <c oughs> อยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราเนี่ยคือธรรมะกายใจคือก้อนแห่งธรรมะ <Yeah. S 2> ก้อนธรรมก็คือที่กายใจการปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูกายดูใจเรานั่นแหละ yeah. <Yeah. S 2> ธรรมะอยู่ที่วัดหรือเปล่า <c oughs> ธรรมะไม่อยู่ที่ไหน yeah. แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อยู่ที่ใต้ต้นโพที่ประเทศอินเดียต้นโพ ไม่ใช่สถานที่ที่มีธรรมะอย่างเดียวหรือที่อินเดียท่านตรัสรู้ที่ไหนที่กายที่ใจของท่านใช่ไหมผู้เจ้าตรัสรู้ที่ไหนก็ที่กายที่ใจของท่านไม่ได้ไปที่อื่นไม่ใต้ต้นโพอยู่ที่กายที่ใจถ้ามีแต่ต้นโพไม่มีผู้เจ้าก็มีการตรัสรู้ต้องมีที่กายที่ใจเราถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริง เราก็ต้องปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติที่ตัวเองคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จักตัวเองทุกข์ใดไม่รุนแรงเท่ากับไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจตามความเป็นจริงและไม่รู้ด้วยว่าต้นตอของชีวิต จ, จิตใจนั้นคือความเป็นปกติ <G ül> ต้นตอของชีวิตจิตใจคือความเป็นปกติมันไม่ทุกอยู่ก่อนที่จิตใจไม่ปกติก็เพราะว่าถูกความคิดมันปรุงแต่งไปเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอิจฉาริษยาหึงหวง ห, หวาดระแวงวิตกกังวลเบื่อกลุ้มเซงเหงาอันนั้นไม่ใช่จิตใจนั่นมันเป็นอารมณ์ที่มากับความคิด ต้นต่อของชีวิตไม่ได้คิดแบบนั้นคือเป็นความบริสุทธิ์ปุดพองแห่งจิตที่เป็นปกติซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่เราไม่เห็นความทุกข์ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเพราะเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรักเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นตัวเป็นตัวเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่รู้จักต้นต่อของชีวิตจิตใจ ที่เนื้อที่ตัวเราตามความเป็นจริงจึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนจึงเป็นทุกข์ไปดันั้นถ้าเราอยากจะหมดปัญหาชีวิตอยากจะพ้นทุกข์ต้องกลับมาดูกายดูใจเราให้มันรู้ความจริงเราจะได้ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ใช้กายใช้ใจทำหน้าที่ทำประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น การจะมาดูตัวเราัเองได้นั้นจะต้องอาศัยการมีสติหรือความรู้สึกตัวต้องมีสติถ้าขาดสติแล้วก็หลงลืมตัวสติคือความระลึกได้ความไม่หลงลืมตัวสติเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลนะ มีสติเมื่อไหร่ล <laughs> ้วก็กลุศสนเข้าติดใจทันทีเลยเป็นกุสลนเป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายกุศสนบางคนบอกว่าเขาโกรธด้วยสติเคยไหมโกรธด้วยสติมีลูกอยู่คนลูกดื้อเหลือเกินไปลูกว่าลูกด่าลูกเนี่ยท่านไม่ได้ด่าด้วยความโกรธนะ สักดีฉันไม่ได้ด่าด้วยสตินะฉันไม่ได้โกรธทั้งโกรธทั้งก็มีสติไปมาได้ไหมนะสติเกิดเนี่ยความโกรธไม่มีหรอกเพราะมีความโกรธจึงขาดสติโ <c oughs> กรธเมื่อไหร่สติขาดเมื่อ น, นั้นถ้ามีสติไม่โกรธนะจะทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบรู้ดีรู้ชัวว่าอะไรควรอะไรไม่ควรควรโกรธหรือไม่ ถ้าคนขาดสติมันต้องโกรธ ถ, ถ้าคนมีสติโกรธไม่ได้โกรธแล้วใจเป็นทุกโกรธทําไมนะไม่กล้าโกรธคนบอกว่าผมดื่มเหล้าผมก็มีสตินะดื่มเหล้าอย่างมีสติถ้าคนมีสติจะไม่ดื่มเหล้าเพราะเหล้าสุราเ <Yeah. S 1> นี่ยพวกเนี้ยประทุสล้ายสติ สุลาเนี่ยเป็นเครื่องเป็นอะไรเนี่ยเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยประทุษรายสติทำให้สติฟั่นเฟือนไปเนี่ยคนมีสติแล้วทำที่เป็นฝ่ายกุศลจะเข้าอยู่ในจิตใจทันทีเลยจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าเรา เอาการฝึกสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวเสมอๆ ม, มาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยปัญหาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะฮะนียต้องมีไว้สติเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลทุกครั้งที่เราเดเนินชีวิตก้าวเดินไปไหนมีสติมีความรู้ตัวแล้วก็สะสมกุศลแล้ว เป็นเขาเรียกเป็นบุญรายวันนั่งอยู่ก็มีสติเนี่ยเราได้บุญรายวันแล้วเดินไปไหนแต่ละก้าวก็มีสติจิตใจที่มันคิดมันนึกมีสติรู้นี่ก็เป็นบุญรายวันนะเป็นบุญรายวันเดินอยู่บนห้างดูสินค้าดูของก็มีสติเห็นข้างนอกก็จับจ่ายใช้สอยข้างในก็รู้สึกตัว ก็เป็นบุญรายวันทุกย่างก้าวเวลาใจมันคิดโอ้สินค้านี่สวยเนาะเกิดโลภะสติรู้มันก็เป็นบุญทันทีเลยเมื่อจิตมันเกิดปรุงแต่งเป็นความชอบใจมีสติรู้เจอสินค้าที่สวยแต่ราคามันแพงโอ้ไม่ชอบใจมีสติรู้ว่าจิตไม่ชอบเนี่ย มันก็เป็นบุญรายวันตรงนั้นแล้วบางทีเราไม่มีไม่มีโอกาสได้ไปที่วัดหรือไปสถานที่ไปปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรเราเดินห้างอย่างมีสติเพราะมันก็มันก็เป็นวัดเลยเหมือนกันไหมเนี่ยห้างเดอะมอลาลวาราราม <c oughs> ที่ไหนก็ได้ที่เรามีความรู้ตัวน่ะเป็นวัดัรงนั้นนะ <c oughs> อ่ะที่ไหนก็ได้ สติไม่ใช่เกิดที่วัดอย่างเดียวที่บ้านก็เกิดได้ที่ทำงานทุกที่เราก้าวเดินรู้ตัวสติรู้เมื่อใจคิดสติรู้ขยับกายใจรู้ทันจิตใจขยับสติรู้บุญทางนั้นเลรียกว่าบุญรายวันเก็บเกี่ยวได้ทันทีสะสมไว้สร้างบา ร, รมี มันมีความสุขถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันชีวิตปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดหรอกมอเกิดตั้เมื่ปล่อยใจไปเสียดายอาดีตกังวลถึงอนาคตมาแล้วทัก า, าสติหม่แล้วก็ทุกรายวันจะมาเยือนทันทีนะ <c oughs> ถ้ามีสติจะพบกับสุกรายวัน ขณะที่เราทําอะไรอยู่เนี่ยถ้าเรามีความรู้ตึกตัวจิตจะอยู่กับปัจจุบันนะสติทําให้เกิดสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่อย่างเช่นเรากวาดพื้นนะเราจะไม้ขวาดกวาดพื้นด้วยความรู้ตัวจิตอยู่กับปัจจุบันสติจดจ่ออยู่ที่การกวาดเกิดสมาธิตั้งมั่น เป็นปัจจุบันจะมีความสงบเย็นนั่นคือสุขรายวันแล้วไ <c oughs> ม่ต้องไปหาไกลนะกวาดพื้นไปก็มีความสุขเพราะใจไม่ได้คิดว่ามันจะสะอาดไหมจะต้องรีบไปทำอย่างอื่นเรากวาดนี้ต้องมีคนชมว่าเราขยันนะใครไม่ชมเราก็ไม่ได้นั่นลืมปัจจุบันเพราะเราขาดสตนะิไม่ใช่ลืมสติ <c oughs> แต่ว่าเราขาดไปเลยขาดสตินะบางคนบอกอสติไม่มสีสติไม่ดีเนี่ยกวาดไปทุกไปสติไม่ดีสติเนี่ยดีแต่สติไม่มีเนี่ยใช่สติไม่มีสติไม่ดีเนี่ยต่างกันนะสติต้องดีทั้งนั้นกวาดไปอย่างรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วแต่อนาคตสุขรายวันคว้าไว้ก่อนประเสริฐลน้น เก็บเกี่ยวความสุขใกล้ตัวนี่แหละจะทำอะไรก็จิตใจจดจ่อมันก็เกิดสัมมาสมาธิจิตมันก็สงบเด่นนั่นล่ะคือความสุขเป็นผลแล้วในขณะปัจจุบันนั้นส่วนผลสุดท้ายเราไปรับเงินเดือนหรือไปรับสิ่งที่ดีๆในผลจากการที่เรากระทาในเดี๋ยวนี้นะนั่นก็คืออีกสุขหนึ่งนะเราได้สุขสองต่อเลยทำงานวันนี้มีสติวันนี้รู้ตัววันนี้เกิดความสุขวันนี้ ทำงานเต็มรับเงินเดือนค่าจ้างนั่นก็นอีกสุกนึงใช่ไหมเอาตรงนี้ไว้ก่อนอย่ามองไกลนะบางทีความสุขในอนาคตที่จะได้รับผลนี่บางทีไม่ถึงนะตายก่อนก็มีเอาตรงนี้ก่อนเใช่ไหมสุขรายวันเก็บเกี่ยวไว้ก่อนนะถ้าขาดสติทุกขรายวันจะไม่เยือนมีไหมเคยไหมทุกรา ย, ว, านนย ว, ว, วันเนี่ยวันวันนึงเนี่ยเรามีความสุขมากหรือทุกมากแต่ละวันพอจะรู้ไหม S 1> <S 1> <S ทุกรายวันนี้มีเยอะนะตื่นเช้ามาก็คิดคิดแล้วหงุดหงิดละมีความไม่พอใจสิ่งนัอนสิ่งนี้ไม่พอใจคนรอบข้างเนี่ยคนนั้นก็บ่นคนนี้ก็ว่าทุกรายวันมาแนละ้วขาดสติเนี่ยเขาเรียกขาดภูมิคุ้มกันทางจิตนะไม่มีสติในการเป็นภูมิคุ้มกันทางจิต เกิดภูมิแพ้ทางจิตใจคือแพ้อารมณ์ภูมิแพ้ทางกายใครก็เป็นได้แต่ภูมิแพ้ทางจิตนี่มันร้ายแ้วกับภูมิแพ้ทางกายนะภูมิแพ้ทางจิตคือแพ้อารมณ์อารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเรียกแพ้อารมณ์ถ้ามีสติเนี่ยจิตเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมากไม่แพ้อารมณ์รู้เท่าทันอัชนะอารมณ์นั้นได้ ทุกรายวันคือความหงุดหงิดความไม่พอใจมันย่อมมีได้กับทุกๆคนหงุดหงิดคนอื่นหงุดหงิดคนรอบข้างคนโน้นทำให้เราเป็นทุกคนนี้ทำให้เราต้องหงุดหงิด <Yeah. S 2> บางทีหาเรื่องกับคนอื่นไม่ได้ก็หาเรื่องกับตัวเอง เ, อเราคงจะเป็นไวยทองมั้งไวยทองมันหงุดหงิดบ่อย <laughs> ไปโทษไวยทองอะ่ะน่าจะโทษว่าเราขาดสติมากกว่านะ <laughs> ัยทองไม่มีหรอกมันสมมุติมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปเรื่องธรรมดาแต่เราขาดสติมากกว่ามันยังโทษทัยทองเป็นนักโทษโทษคนนูน้นโทษคน น, น, น, นี้โทษทัยทองไม่เคยเทอร์ว่เราขาดสติเลยเพราะนั้นตัวนี้ตัวความรู้ตัวกับปัจจุบันนี่แหละมันป้องกันมันเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกลุศล เขาว่าเครื่องอยู่เนี่ยคือการเอาจิตไปฝากไว้กับสิ่งนั้นเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลคนที่ทำงานทั้งวันเนี่ยเขามีงานเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าทำงานแล้วถ้ามีสติอยู่กับการทำงานเนี่ยจะได้ทั้งงานและทั้งบุญเลยนะเนี่ยเอางานเป็นเครื่องอยู่ก็ต้องมีสติผูกไปด้วยคนไม่มีอะไรทำเนี่ยปล่อยใจว่างๆปล่อยกายว่างๆเนี่ยมันจะเหงาจะเซ็งนะ เ, เงาเพราะไม่มีงานทําแต่ถ้าเรามีสติอยู่การทํางานเนี่ยเราจะไม่เหงาเอาการฝึ ก, ฝกจิตฝึกใจด้วยการมีสติเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันจะไม่เหงาคําว่าเหงาคำว่าเบื่อคําว่าเซ็งไม่มีเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นกุศลไม่ต้องไปหาที่ไหนหาได้ที่ตัวเราบางทีเราในชีวิตประจำวันเนี่ยในการดําเนินชีวิตเราก็ หนีจากสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตไม่ได้คือความป่วยไข้ไหนใครไม่เคยป่วยไข้บ้างความป่วยไข้าทางด้านร่างกายย่อมมีได้กับทุกๆคนเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้ความป่วยไข้มันเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจนะใครตอบได้นะให้ไปสวรรค์ น, นะเนี่ยโดยที่ร่างกายนะ ความป่วยใกล้กับที่ร่างกายแล้วใจเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไหมไม่แน่นะบางคนกายป่วยใจไม่ทุกข์ก็มีนะ <c oughs> เพราะเขามีเครื่องป้องกันจิตมีสติป้องกันจิตไม่ให้ทุกข์เมื่อร่างกายต้องป่วยไข่คนที่ขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยกายป่วยใจก็ป่วยใจป่วยหนัก ใจเข้า ICU กายป่วยอยู่ปเตียวใจอยู่ ICU นะพร้อมที่จะผ่าตัดแนละ้วผ่าตัดใจเนี่ยผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัดกายเนี่ยผ่าได้ใจต้องผ่าตัดโดยธรรมโอสถเป็นเครื่องมือผ่าตัดใจให้หายเป็นปกติตัดรากถอนโคนของความทุกข์ทรมานจิตใจ ก็คือมีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมโ อ, อสดขนาดหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเดียวรักษาได้ทุกโรคไม่ต้องเสียเงินแม่ก็ตั้ง30บาทนะ <c oughs> ถ้ามีความรู้ตัวมีสติเนี่ยมารักษาใจไม่ทุกเมื่อร่างกายต้องเจ็บต้องป่วยมีประโยชน์นะบางคนป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายเนี่ย ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันจิตคือธรรมะเนี่ยมันทุกนะมันทุกมากเลยถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีความลึกได้เมื่อกายป่วยทุกขเวทนากําลังรุมเล่าร่างกายกําลังเจ็บกําลังปวดเนี่ยถ้าเราขาดสติเนียมจะเกิดกว่าเราจะไม่มีความอดทนในการปฏิบัติตัวเองมันจะทุกมากเลยทุกซ้อนทุกนะทุกกายทุกใจเนี่ย ทุกข์เพราะความปวดที่มันเกิดจากทุกขเวทนาร่างกายมันรุมเร้าถ้ามีสติรู้ทันมันจะแยกอาการเวทนากับจิตให้อยู่คนละส่วนกันเวทนาคือป่วยไปทำหม้ที่เจ็บไปทำหน้รรที่ปวดไปแต่ใจนี่มีสติคุ้มครองเนี่ยมันจะไม่ปวดใจเป็นผู้ดูอ๋อดูเวทนา ที่มันกำลังปวดรุนแรงแล้วก็ลดลงไปแล้วมันก็หายไปเวทนาหายไป เ, ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมองเห็นไม่อยากก่างการมองเห็นใครก็ได้ที่มันกำลังนอนดิน้นพลาดพาดเจ็บปวดอยู่สติเป็นผู้ดูเป็นผู้มองมันแยกนะแยกความเจ็บปวดกับจิตใจออกจากการเป็นคนละส่ว น, นใจรูเ้เวทนาคือสิ่งที่ถูกรู้ เห็นไหมปลอดภัยจากทุกทุกขทรมานกายทุกเวทนากายจะไม่เกิดทุกทรมานท่านนั่นจิตใจมันแยกกันได้แยกกายแยกจิตแยกอารมณ์แยกความปวดจากจิตใจได้นะก็เพราะตัวสติสัมมาชัญญะเนี่ยแต่ว่าไอ้ร่างกายปวดเจ็บเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เท่ากับ ขณะที่ร่างกายป่วยใจมันคิดปรุงแต่งฟุง้งซ่านเาอทำไมเราจึงป่วยเนาะทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างเราเนี่ยเราป่วยขนาดนี้เนี่เราคงจะทำงานไม่ได้แล้วละ่ยอีกไม่ช้าเราก็ต้องตายวิตกกังวลเพราะเกิดจากความคิดยิ่งขาดสติยิ่งคิดฟุ้งซ่านหนักเข้าไปใหญ่ <c oughs> นอนไม่หลับ แต่ถ้ามีสติรู้ทันในความคิดจะแบ่งแยกอ๋อความคิดส่วนความคิดเป็นเรื่องการปรุงแต่งจิตผู้รู้ก็คือจิตผู้รู้แบ่งแยกกันไปคิดส่วนคิดรู้ส่วนรู้เป็นทาหน้าที่คนอันกันคิดทาหน้าที่คิดจิตทาหน้าที่รู้ <c oughs> ความคิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้สติเป็นผู้รู้เฉยๆแบ่งแยกรู้ทันในความคิดปรุงแต่งรู้เฉยๆ รู้แบบไม่คิดตามจิตมันก็เป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางจิตมันก็จะว่างเป็นปกติเป็นการปล่อยวางถึงที่สุดเลยจิตรู้เฉยเฉยรู้ซื่อนี่แหละมันจะเกิดความเป็นกลางไปเองไปทำใจให้เป็นกลางไม่ได้หรอกแต่ถ้ารู้เฉยเฉยอ๋อนั่นคือความปวดนะนั่นคือความคิดจิตรู้ รู้เฉยๆเนี่ยคือรู้เฉยๆคือการมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เป็นสัมมาสติสัมมาสติคือเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นความคิดเป็นส่วนหนึ่งเป็นฐานสติสัมมาสติเป็นผู้รู้ไม่ไดไ้ไม่ได้เข้าไปเป็นฐานคือความคิดเอาความคิดเป็นฐานให้สติมันรู้นี่นี่เรียกว่าสัมมาสติ รู้เฉยๆโดยที่ไม่คิดตามไม่คิดต่อเติมมันก็มีการปล่อยวางอยู่ในตัวเมื่อปล่อยวางได้แล้วจิตมันก็ว่างเบาสบายนี่คือสัมมาสติฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสติที่เป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นเห็นกายป่วยแต่ไม่ได้ไปเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ดูความป่วยไขย้เห็นจิตมันคิด สัมมาสติจะรู้เฉยๆไม่ได้เข้าไปคิดด้วยแยกระหว่างความคิดกับความรู้สึกเป็นคนละส่วนกันเพราะทำหน้าที่ต่างกันแต่อยู่ด้วยกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันความคิดคือสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเป็นปกติเป็นกลางเป็นความรู้สุ์ผ่องใสยอยู่อย่างนั้นะเนี่ยมันเป็นสัมมาสตินะมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ ฝึกไปๆจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคนเราทุกคนเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องความผิดหวังหรอกมีใครไม่เคยผิดหวังมั้งในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งที่ผิดหวังทั้งนั้นไม่มีอะไรสมหวังคนชื่อสมหวังก็มีแตเรื่องผิดหวังถ้าเราเข้าใจว่าโลกนี้มีแต่ความผิดหวังเนี่ยเราจะสมหวังเพราะเรารู้ว่าอย่างไรก็ผิดหวังอยู่แล้วเราก็จะสมหวังเพราะเรารู้ว่ามันผิดหวังเข้าใจไหม เราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บมันก็ต้องเจ็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายไม่อยากพัดพลาดก็ต้องพัดพาดกันทุกวันอยู่ด้วยกันนั่นสมมุติแต่ถ้าลืมไปแล้วว่าอยู่ด้วยกันมุ่ยไปทำสิ่งอื่นนะเราก็พัดพาดจากคนนั้นซะแล้วถูกแม้จะหันหลังติดกันเนี่ยแต่เราไปคิดสิ่งอื่น่ะเราก็พัดพาดจากคนที่เรารักซะแล้วนั่นคือพัดพลาดตอนเป็นนะ เราไม่รู้ว่ามันคือความทุกข์แลวตอนตายล่ะความสูญเสียในโลกนี้มีแต่ความสูญเสียมไ ม, ยม่ได้ความพัดพลากไม่ได้ความผิดหวังถ้าเราข้ดใจตรงนี้ได้เราก็เราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่มีการสูญเสียอะไรเพราะว่ารู้ว่ามันเรื่องธรรมดามันเรื่องธรรมดามันไม่มีอะไรผิดธรรมดาหรอกมันคือธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากความผิดหวังความสูญเสียเป็นเรื่องของภายนอกทางนั้นเลยไม่ใช่เรื่องจิตใจจิตใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนมีสติจะรักษาใจให้ไม่เสียสูนย์เมื่อเกิดความสูญเสียนะความสูญเสียเป็นสิ่งภายนอกมันสูญเสียอยู่แล้วไม่มีอะไรหยุดโยงคงกระพันหรอก แต่ใจที่ไม่เสียศูนย์เนี่ยเพราะมีสติช่วยตั้งมั่นให้รู้ทันในความสูญเสียใจก็จะไม่เสียศูนย์เพราะมีสติคอยตั้งศูนย์เอาไว้นะ่ไร้านในที่เขามีร้านตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรามีสติตั้งศูนย์ถ่วงใจไม่ให้ทุกข์ฝึกเอาไว้นะมันมีประโยชน์นะสิ่งเหล่านี้แนหะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเลย เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราหนีไม่พ้นอยู่หรอกหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลาดความสูญเสียนะหนีไม่พน้นแต่ใจเราจะไม่เสียสูญคือไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่พึงปาารินา <c oughs> มันได้ที่พึ่งนะได้พิ้ที่พึ่งในด้านจิตใจเป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยคือการมีสติอยู่ทุกเมื่อเนี่ยเป็นธรรมะ โอสดเป็นฝ่ายที่เป็นกุศลหาได้ทุกวันการฝึกสติในแต่เรื่องจาวันเนี่ยนอกจากจะทําให้เราสะสมบุญรายวันสุขรายวันขจัดทุกรายวันและยังทําให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น รู้จักตัวเองเพราะสติเนี่ยมาเกิดจากการมาดูตัวเองตลอดดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกกายทำอะไรใจรู้จิตคิดอะไรใจรู้เนี่ยคือการดูตัวเองการดูตัวเองก็จะรู้จักความจริงของตัวเองด้วยว่าควรยึดมั่นถึงมั่นหรือไม่เมื่อรู้จักตัวเองนั้นคนที่รู้จักตัวเองคือเห็นว่ามันไม่มีตัวตัวเองมันไม่มีตัว ไอ้ที่มีตัวนั่นคือสมมุติเป็นตัวนะมันเกิดสติมันเกิดปัญญารู้แจ้งกายใจมันไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ต้องไปยึดมั่นถึงมั่นก็เรียกว่าหายตัวหายตัวครับเนี่ยไม่ใช่ตัวหายนะตัวไม่หายแล้วตัวก็นั่งเป็นประธานเนี่ยแต่มันหายตัวหายจากความยึดมั่นถว่ามันเป็นตัวมันเป็นกายเป็นจิตเป็นสิ่งสมมติ เอาตัวที่เราสมมติเนี่ยมาใช้ทําประโยชน์ทําหน้าที่ให้กับตนเองและก็ผู้อื่นแต่ไม่มีตัวผู้กระทํานะใจมันก็จะไม่ทุกข์อ่ะเนี่ยมันลาออกกันนะว่าหายตัวและละออกเลิกกันมันไปถึงขนาดนั้นเลยนะรู้จักตัวเองตัวเมื่อเห็นความไม่มีตัวนะคือแล้วจากตัวเองที่แท้จริง แต่เห็นต้นตอของชีวิตจิตใจที่มันไม่ทุกอยู่ก่อนมันมีความบริสุทธิ์อยู่ก่อนที่มันมัวหมองไปเพราะเราไปคิดปรุงแต่งต่างหากความคิดปรุงแต่งมาที่หลังแล้วมาก็ต่อไปมันก็จะผ่านไปมันไม่ปรุงตลอดเวลามันปรุงแล้วมันดับแล้วมันปรุงแล้วมันดับสลับกันไปอย่างนั้นนะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ทุกถ้าว่าเรา เอาการจริตมาใช้ในชีวิตประจวันนี่นะมันจะทุกน้อยจะสุขมากความทุกข์หายากความสุขหาง่าย <c oughs> ตื่นเช้ามามันก็สุขแล้วตบออกโอ้วันนี้จะสุขอะไรบ้างเนาะขกอมีสตินะคนขาดสตินี่โอ้วันนี้เราจะมีอะไรมาทุกขบ้างเนาะ <c oughs> ความสุขจะหาง่ายความทุกข์จะหายาก ไปคนที่อัอตคัดความทุกข์มากถ้าเราขาดสติขาดการปฏิบัติธรรมเนี่ยลนะความทุกข์มันหาง่ายนะคิดเมื่อไหร่ก็ทุกทุกทีความสุขจะหายากมันยังกลายเป็นชาติเสือยิ้มยากเพราะมีแต่ความทุกข์ทำให้ยิ้มยาก น, ยนำเอามาใช้ในชวิตประวันนะ เราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกายใจยที่ไร้สาระ ข, ของเราเนี่ยก่อนมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็มาทำประโยชน์เราก็จะเกิดความสุขเกิดความภูมิใจในการทำหน้าที่ของเราคุณหมอประเวศเนี่ยท่านก็คุณหมอประเวศ ว, ว, วัชสีใครรู้จักบ้างโอ้คุณหมอคนดังนะถ้าบอกว่าการจิสติเนี่ย เป็นการบริหารจิตอย่างดีที่สุดเลยเราบริหารกายโดยการยกกำลังกายจะแข็งแรงนะยกดัมเบลวิ่งก็ตามแต่การบริหารจิตนั้นคือการฝึกสติเนี่ยเป็นการบริหารจิตที่ดีที่สุดเลยสติเป็นเครื่องอยู่ที่สุขสบายที่สุดในโลกนี้ สติเป็นเครื่องอยู่ที่สุขสบายที่สุดเนี่ยคุณหมอปุเวช ท, ท่านกล่าวไว้สติเป็นทั้งกันทั้งแก้สารพัดปัญหาถ้าเราเกิดปัญหาคิดแก้ปัญหาไม่ได้นึกถึงการเจิตสติเถอะเราจะพบทางออกของชีวิตนะเนี่ยคุณหมอปุเวช ท, ท่านก็กล่าวไว้คุณหมอกล่าวนะเราไม่เชื่อหมอเราจะเชื่อใครอ่ะ แต่เราต้องเอามาปฏิบัตินะเอามาปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราในชีวิตประจำวันนี่แหละเราทําได้ก้าวขารู้สึกตัวมันก็มีสติแล้วเป็นกุศลแล้วเวลาใจมันคิดสติรู้มันก็ไปกุศลแล้วฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆใหม่ๆอาจจะลําบากสักหน่อยต่อไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นมันก็จะเป็นชีวิตจิตใจไม่ต้องฝึกมันก็มีเองสติพราะของวันนี้มันมีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ พอเราโมแต่ไปคิดไปมองนอกตัวซะมากต้องทำต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเราไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจทาเราก็จะไม่ทำก็จะไม่เกิดผลอะไรโ <Yeah. S 1> มแต่คิดเอาคิดว่าดีแต่ไม่ลองทำเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลว่ามันดีอย่างไรนะ yeah. mm hmm. ผมเองนี่ ก็ได้เอาการปฏิบัติการฝึกตติมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก่อนโน้นแต่ก่อนโน้นในอดีตนะไม่ค่อยพูดถึงไม่ไม่ค่อยอยากพูดถึงอดีตอดีตมันเป็นความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราไม่อยากจะเอามาคิดให้เป็นทุกข์เหมือนเอาของเก่าๆ เ, เอามาอุ่นกินใหม่ เอาของเก่าๆน้ําพริกถ้วยเก่าเราไม่เอาแล้วตามั่วใหม่ดีกว่าของเก่าอย่าเอามากินใหม่นั่นะคือคิดเอาเรื่องเก่าๆมาทําให้เราเป็นทุกข์เอาของเก่าๆมากินของใกล้จะบูดล้วเอามากินไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเรามาเป็นครูสอนใจเนี่ยเขาเรียกว่าผิดเป็นครูเอ้ครูสอนใจสอนใจเราเนี่ยว่าสิ่งนี้มันทําให้เราเป็นทุกข์นะมันก็เป็นประโยชน์อดีตอดีตมีความทุกข์เอาความทุกข์มารีไซเคิล ให้มันเกิดความสุขในปัจจุบันก็ได้สิ่งที่อนาคตหรือว่าในอนาคตเนี่ยจะมาไม่ถึงก็เลยเป็นสิ่งที่เพอ้อฝันอาจจะไม่มีก็ได้เห็นไม้มเราเคยไหมเรามีความกังวลสักร้อยพันดเรื่องมันจริงกี่เรื่องกันบางทีมันไม่จริงเลยซ้าไปเรากังวลล่วงหน้านั้นอนดีตผ่านไปแล้วอนาคตจะมาไม่ถึงอย่าไปสนใจปัจจุบันเนี่ย เป็นสิทธิจริงที่สุดเลยเนี่ยสิทธิจริงที่สุดเลยผมอดีตก็มีแต่ความทุกข์มากมายไม่มีใครทุกข์เกินผมอะในที่นี้ <c ười> กายเคลื่อนไหวไม่ได้อันนี้เนี่ยใจมันก็ปรุงแต่งเป็นทุกข์เนี่ยถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตมันเปลี่ยนมาไม่ดีด้วย <c ười> ไม่เป็นไร เปลี่ยนจากคนปกติมากายเป็นคนพิการมันเปลี่ยนไไม่เป็นไรเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความพิการให้เป็นประโยชน์ก็ได้เรียกว่ารเราก็เรียก ว, ว, ว่าเรามีกรรมก็ ocado, มีกรรม both. แล้วเรื่องของกรรมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับไปถ้าเราไม่ยอมรับกรรมที่เรากระทาเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์กรรมเป็นสิที่เราต้องยอมรับการยอมรับกรรมไม่ใช่ยอมแพ้กรรมนะยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้ไม่ใช่ยอมจำนน เราสามารถพัฒนากรรมของเราเนี่ยให้ไม่ดีขึ้นสามารถเราไม่ได้ไปแก้กรรมเปลี่ยนแปลงในกรรมแต่พัฒนากรรมขึ้นมาเอาไปปฏิบัติธรรมซะปฏิบัติธรรมให้มันอยู่เหนือกรรมซะพัฒนากรรมนะร่างใายที่กำลังโอ้เรามีกรรมไม่เป็นไรหรอกเ้วก็ทำกรรมดีสิในการพัฒนากรรมให้อยู่เหนือกรรม จะได้ไม่ตกไปไปตามกรรมก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถอยู่เหนือกรรมได้ไม่ได้เป็นการแก้กรรมแต่เป็นการสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีแก้กรรมไม่ได้หรอกผู้เจ้าก็ไม่แก้กรรมสิ่งที่ผู้เจ้าทำไม่ได้คือเปลี่ยนแปลงกรรมที่สัตว์โลกได้ทาไปแล้วไม่อยากพิการไม่อยากป่วยอยากให้มันหายมีความอยากไม่อยาก อารมณ์เราจิตใจอดทนเขาไว้มันอยากเราไม่อยากทนเขาไว้น่ะมันทนได้นะทนไปทนมาอเราไม่ได้ทนเลยเลยนะมันเป็นไปเองมันทนะนาข้ามันเป็นไปเองเราไม่ได้ทนอะไรเลยใช่ไหมเราอดทนอะไรอดทนไม่เรื่อยเลยอดทนต่อความลำบากทนไปหนเข้าว่ะอ้าวเราไม่ได้ทนอะไรมันเกิดภูมิต้านทานทั้งจิตเกิดความแข็งแรงเป็นเรื่องธรรมดาของเราเสแล้ว ความผิดหวังเรื่องธรรมดาความไม่ถูกใจเรื่องธรรมดาสิ่งใดที่ไม่ถูกใจนั่นไงคือธรรมดาเลยมองเห็นการไม่เดินเดินไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าผมเดินได้เนี่ยมันไม่ธรรมดามองว่าดีแล้วเดินไม่ได้เป็นธรรมดามองไป็นเรื่องธรรมดาไปก็เลยไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่มันเดินไม่ได้หรอกอย่ามองเป็นของแปลกธรรมดามันเลยคุ้นเคยคุ้นจริงกับสิ่งที่เรามีเราเป็น เรามีความทุกข์เป็นธรรมดาก็เท่านั้นเองยอมรบับซาใจเราก็ไม่ทุกข์ก็เนี่ยการฝึกสติในชีวิตประจำวันที่ผมใช้เนี่ยใช้ความอดทนใช้ความขยันทํามันไปโดยที่ไม่คาดหวังในผลนะสร้างเหตุสร้างสองเหตุของการเจลรสติไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คาดหวังในผลที่จริงผลมันเกิดขึ้นแล้วนะเราเคลื่อนไหวตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันมีผลเรียบร้อยแล้ว การเคลื่อนไหวเป็นเหตุสติรู้เป็นผลก็จบไปแล้วเปรตผลแล้วก็ทำ บ, บ่อยๆความคิดเป็นเหตุสติรู้ว่าคิดเป็นผลผลมันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ต้องรอเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาทำปุ๊บได้ปับ๊บนะกินปุ๊บอิ่มปับ๊บนะคำหนึ่งทางข้าวคำหนึ่งอิ่มไหมอิ่มนะอิ่มิมคำหนึงอะ ทานไปคำหนึ่งก็อิ่มคำหนึ่งนะทานสองคำก็อิ่มสองคำทาน10บคำก็อิ่ม1ิบคำอ่ะพอแล้วสิบคำก็อิ่มอพอนะสคอมควรแนะมันเป็นผลอยู่ในตัวกนะนะ็สั่งสมไปเรื่อยๆนะฟังปฏิบัติขยันอดทนฝึกสติไปทิพจำวันเนี่ยมันก็รู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองยอมรับตัวเราเอง รู้จักตัวเราเองมากขึ้นยิ่งรู้จักตัวเรามากขึ้นความทุกข์มันก็จะห่างจากตัวเรามากขึ้นจิตมันพัฒนาขึ้นมามันก็ดีมันก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรหรอกน่ร่างกายก็ต้องป่วยไปตามกรรมแต่พัฒนาใจเนี่ยไม่ได้ป่วยไปกับร่างกาย ใจมันก็ออกไปจากร่างกายโดยทั่วๆไม่เป็นทุกข์กับร่างกายทุนพิการกายป่วยไปเรื่องของกายความไม่ทุกข์ไปเรื่องของใจ <c oughs> มันก็แบ่งแยกกันไปอย่างนี้แหละนะมันก็พ้นกรรมทางจิตแต่ยังไม่พ้นกรรมทางด้านร่างกายร่างกายไม่มีใครสามารถจะพ้นกรรมได้หรอกกรรมที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครพ้นได้กรรมทางกระดูก ว, วิบาก วิบากของกายก็ต้องเป็นไปตามวิบากแต่ถ้าใจไม่ทุกข์เนี่ยแต่ว่ามันพลล้นละวิบากทางจิตมันไม่มีกรรทางจิตมันไม่มีมีแต่กรรมทางกายกรรมทางจิตเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในกายถ้ารู้ทันปล่อยวางใจมันก็ว่างมันก็พ้นกรรมทางจิตทางกายก็ไม่พ้นก็เรื่องของกายไปให้มันเน่าข้อลงไปกับสภาพทีนี้ แต่ใจเราก็ไม่ได้ไปเน่าเข้าลงกับเรื่องร่างกายทุกคนสามารถพ้นกรรมทางจิตได้เรื่องทางกายก็ปล่อยเป็นธรรมชาติมีโอกาสนะเรื่องร่างกายอยาเอามันรอดเลยมันไม่รอดหรอกที่สุดของร่างกายก็คือที่เมนเผาศพที่สุดของจิตใจคือความไม่ทุกข์หรือนิพพานหาได้ที่จิตที่ใจเรา แต่มันต้องมีการปฏิบัตินะปัญญาที่แท้ต้องเกิดจากการภาวนาพระเจ้าตรัสเอาไว้ปัญญาที่น้เกิดจากการภาวนาภาวนาคือการทำจิตให้เจริญภาวนาไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องหรือบ่นพึมพำมึม พ, ม พ, ม พ, มพมภาวนาคือการทำจิตให้เจริญ yeah. Yeah. ก็การฝึกสตินี่แหละ <Yeah. S 1> จึงต้องมีการปฏิบัติ ถ้าว่าใครอยากจะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นไม่อยากจะมีทุกข์ต้องอาศัยการฝึกสติโดยการกลับมาดูตัวเราต้องมีการปฏิบัติต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเราเองนี่แหละปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติมีแต่ใช้ความคิดความรู้เนี่ยมันจะดับทุกข์ได้ไม่จริงหรอก ลำพังแค่ความคิดความเข้าใจเนี่ยยังดับทุกข์ไม่ได้อไอ้ความคิดความรู้มันเกิดจากสมองที่มันคิดลุงแต่งความเข้าใจก็มาจากสมองแต่การสัมผัสรู้เนี่ยคือจากจิตวิญญาณคิดรู้กับสัมผัสรู้เนี่ยเหมือนกันไหมเอาคิดว่าเจ็บ กับรู้สึกเจ็บเนี่ยอันไหนมันจริงกว่ากัน <c oughs> ใครโดนฉีดยาไหม <c oughs> ก่อนหมอจะฉีดยาเนี่ยเราคิดว่าเจ็บหรือรู้สึกเจ็บไหนใครว่าคิดว่าเจ็บยกมือไหนใครรู้สึกเจ็บไหนใครไม่ยกมือ ก่อนจะถูกฉีดยาเนี่ยโอ้โหคิดว่ามันเจ็บแต่พอฉีดไปประโถมดกัดยังเจ็บกว่านะนั่นคือความรู้สึกไอ้ความคิดว่าเรารู้ธรรมะนั่นแหละยังไม่เท่าัาการเข้าถึงธรรมะโดยการเอาจิตใจไปสัมผัสคิดว่ารู้นั่นคือสมองมันคิด ถ้าสัมผัสรู้นั่นคือจิตวิญญาณไปสัมผัสกับสภาวะจริงๆเลยมันจึงจะสามารถปล่อยวางและก็รู้ความจริงแล้วปล่อยวางได้นะอย่างเช่นว่าเรามีมะม่วงอยู่ใบหนึง่งมะม่วงนะเนี่ยอย่างที่โคราชเนี่ยมะม่วงงามเมืองย่าโอ้โหลูกใหญ่เหลืองหวานหอม ทานกับนเ้าเหนียว โ, โหอร่อยมากเลยงามเมืองย่ามะม่วงงามเมืองย่านี่อร่อยนะอร่อยไหมมันต้องปอกแล้วก็มันต้องปอ ก, กต้องสับต้องทานก่อนจะรู้ว่าอร่อยจริงเรู้ว่าอร่อยไมเท่ากับสัมผัสว่สวสวสวาโอ้นี่มันอร่อยจริงมันต้องทานมะม่วงงามเมืองย่าถึงจะรู้ว่าเนี่ยมันอร่อยนะเาเรียกว่าเป็นสถิติโก ธรรมะเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองมันต้องรองนะเราอยากจะรู้จักตัวเองอยากจะพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติทำให้มีขึ้นในตัวเราจึงจะรู้ได้ถ้าเพียงแต่รู้เนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยนะหรือคิดเอาเนี่ยมันดับทุกข์ได้ไม่จริงหรอกไม่จริงรับรองเคยเคยมีเรื่องเรื่องจริงนะเนี่ยญาติธรรมคนหนึ่งเนี่ย มีภรรยาก็รักภรรยาแต่รู้ธรรมะเอาธรรมะเนี่ยไปสอนภรรยาเจ้่สอ2คนโน้ว่นนี้ธรรม ะ, รรมะพอมีแฟนมาจีบภรรยาหน่อยโอ้จิตตกเลย <c ười> จิตตกเศร้าหมองณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หายนะเศร้าหมองเลยโอ้นี่ขนาดแค่เขามาจีบนะยังไม่ได้ยังไม่ได้พากันไปเลย จิตตกเลยตกเพราะคิดกังวลซึมเศร้าจนปัจจุบันเนี่ยนั่นคือรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมะเห็นแต่มมว่าม่วงว่าหอมว่าหวานว่าอร่อยแต่ไม่เคยทานามะม่วงอจิตตกทันทีเลยมานั่นแหะคือรู้ธรรมะและที่บอกฮแล้วก็ตัวไม่รอดอมีเรื่องเล่าเรื่องนี้เล่ามานานนะ เมื่อก่อนเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เล่าวันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงวันนี้ก็เล่าจริงถ้าเป็นเรื่องไม่จริงวันนี้ก็เล่าไม่จริงนะพระกรุณาเจ้าเนี่ยบวชใหม่บวชสามเดือนในพรรษาช่วงบวชสามเดือนไม่ได้ปฏิบัติธรรมแลวอ่านหนังสือธรรมะคนว่าธรรมะมีความรู้มากรู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมะสามเดือน มีชาวบ้านคนหนึ่งคุณพ่อเสียชาวบ้านเนี่ยคุดเสียคุณพ่อไปร้องไห้เสียใจหลวงพี่นี่ก็ไปปลอบใจโยมเลยการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาความพร้เป็รื่องธรรมดาอย่าไปเศร้าโศกจิตใจเลยอีเมชาเราก็ต้องตายสอนดีอ๋อยมก็สบายใจมีพระคอยปลอบใจเดือนต่อมาพ่อพระตาย พระเสียใจโยไมไปปลอบใจว่าโอ้หลวงพี่ก้านแก่เจ็บตายเพื่อธรรมดาล้องพี่นะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจเลยพี่ก็ยังเศร้าโศกอยู่ทีหลวงพี่สอนผมได้อะสอนว่าผมผมยังยังยังทาใจได้เลยทาไมหลวงพี่ยังทาใจไม่ได้เอานั่นมันพ่อโยมแต่นี่เป็นพ่ อ, อตาไมานี่ ใชรู้ธรรมะแต่ยังเข้าไม่ถึงเพราะไม่เคยปฏิบัติเลยนี่นก็ไปทุกข์ก<ๆ>ันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพวกเรานี่อยากจะรู้ธรรมะอยากจะเข้าใจธรรมะก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมด้วยให้เป็นอาการิกโกให้เป็นสติติโกให้เป็นปัจจตังให้มีนึกขึ้นในเนื้อตัวเรามันจึงจะเป็นประโยชน์นะไม่งั้นเราก็จะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลย การมีสติเนี่ยมันทำให้เรามองโลกในแง่ดีได้เห็น ไ, ไหมเสร็จสมัยนี้เขาบอกอะไรเวลาจิตซ่อบหมอนให้มองโลกในแงด่ดีอีตอนจิตที่กำลังซ่อบหมอนจะมองโลกในแง่ดีได้ไหมมันไม่ได้หรอกมองทีไรก็มืดทุกทีเลยจะมองโลกในแง่ดีนะั้นต้องมีสติขั้นกลางเปิดช่องว่างให้สติมันจะคิด มอรโล่ในแง่ดีได้มันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้เนี่ยอย่างม่เช้าเนี่ยคุณวลาเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยคุณวลาในเมื่อเช้านี่นี่มาด้วยกันนะวันนี้มาด้วยกัน8คนเนี่ยปดคนนะเนี่ยจะแต่งตัวชุดทีมเนี่ยตัวอย่างชัดๆเลยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย ทานข้าวเนี่ยทานข้าวที่ปากจ้องเนี่ยคุยวลาเป็นคนจ่ายเงินนะคนทั้งคันนะมีคนพิการอยู่สองคนเนี่ยคนพิการเลี้ยงไงเนี่ยจ่ายเงินทานอาหารเข้าไปเนี่ยเขาคิด400ร้อยเคุยวลาจ่ายเงินไปพันหนึง่งเขาต้องทอนเท่าไหร่หกร้อยนี่เขาทอนมาไม่ถึงอะ่ะ เขาทอนไม่ถึงหกร้อยนะเขาทอนขาดไปใช่ไหมปกติคุณแม่เนี่สมองเขาไม่ค่อยปกตินะหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นคนบ้านนะคือเขามีปกติสมองเนี่ย ม, มันมีปัญหาต้องผ่าตัดเพราะเขาทางานมากสมองผ่าตัดก็เป็นอัมพาตซี่อกหนึง่งอัมพึกษ์ซี่อีกนึ่งเดินได้นิดหน่อยสมองเนี่ยเขาจะลืมเขาจะลืมอะไรทุกอย่างลืมหมดเลยนะรู้จารู้ภาษาญี่ปุ่นก็ลืมไปแล้ว พูดก็ไม่ค่อยชัดภาษาไทยก็ลืมอยากจะพูดแต่ว่าลืมพูดไม่ได้ mm hmm. แต่เขาฝึกสตินะฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าเขาทอนสตางผิดเนี่ยเขาทุกข่วงเลยทักท้วงเลยว่าเนี่ยถอนสตางขาดไปเขาเริ่มคิดขึ้นมาได้นะสติทับท้ายสมองมันคิดขึ้นมาได้เนี่ยถอนสตางขาดไปแทนที่จะโกรธ แม่ค้ากับภูมิใจโอ้สมองเราฟื้นกลับคืนมาแล้วมอในแง่ดีสมองเราดีเขาลืมไปเลย ว, ว่า ท, ทันทีเาจะตำหนิมแม่ค้าว่าทำไมเราเป็นคนพิการทำไมทอนเงินไม่โกงล้วเจ ต, ตนาโกงหรือแต่เขาภูมิใจที่เขาคิดเขาฟื้นคืนขึ้นมาได้คิดได้ละเอียดขึ้นเออเสติทำให้จักมองโลดในแง่ดีเปลี่ยนร้ายกลายเป็นแง่ดีท้นทีจะโกรธ กลับมาชอบใจเออเราเนี่มันพัฒนาขึ้นนี่เราเขาคงขาดถ้าเขาขาดสติเนี่ยเขาจะเพ่งโทษแต่แม่ค้าเพ่งโทษเพ่งโทษมันจะไปไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะแต่เขามองในแง่ดีแนละ้วก็เป็นส่วนที่ดีมนะแต่เขาจะมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูจิตใจเขาสภาพจิตจใจเขาเพราะเขาฝึกส ต, ติเหมือนคนบางคนนะมีอาชีพเลี้ยงกบ มอโลดในแง่ดีเ ม, นะมื่อกี้นะเมียชีพเลี้ยงกบเนี่ยกบนี่จะผสมพันธุ์หน้าไหนหน้าฝนใช่ไหมแล้วปีเนี้ฝนต ก, ตกทั้งปีอะ่กะกบผสมพันธุ์กันทั้งปีมันก็ออกมาจํานวนมากใช่ไหมออกมามากไหมออกมาเยอะเลยแทนที่เขาจะภูมิใจว่าโอ้นี่กบออกมาเยอะเราจะขายได้ดีเปล่าเลยเพราะลายอื่นมันก็ออกมาเยอะเหมือนกัน กบเต็มตลาดเลยเป็นทุกข์เลยเพราะไม่ได้มองว่าเออในกบมันมากเยอะน่าจะน่าจะดีนะแต่มองว่าโอ้มันแข่งกันเราขายไม่ค่อยดีเพราะนั้นถ้าเราอยากจะมองโลกในแง่ดีก็ฝึกสติเอาไว้มองโลกในแง่ร้ายชีวิตมีความทุกข์มองโลกในแง่ดีมีทำให้ชีวิตมีความสุขถ้ามองโลกในแง่ความเป็นจริง ชีวิตจะอยู่เหนือทุกเหนือสุขหมอในความเป็นจริงคือทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมังคับบรัญชาไม่ได้ขึ้น อ, อยู่กับเหตุปัจจัยของมันไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เป็นทุกข์หมอโลดในแงของความเป็นจริงคือการมีสติสัมปชัญญะ <c oughs> โอที่จริงโปรแกรมวันนี้เนี่ยให้ผมพูดเรื่องจิตสดใสแม้กายพิการ <c oughs> ที่จริงผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะมานั่งยิ้มบนเวทีก็พอเลยนะไม่พูดมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเอาพูดซะหน่อยเนื้หาว่าจิตต่อสายแม่กายพิกาไม่ได้พูดเลยร่างกายเนี่ยสภาพร่างกายจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ใจเราเป็นอย่างไรต่างหากกายกับใจสิ่งเดียวกันไหมไม่ใช่ กายคือส่วนกายคือการเคลื่อนไหวไปไปตามเหตุปัจจัยของมันใจคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกายอยู่สภาพใดไม่สำคัญเท่ากับใจเป็นอย่างไรถ้าเราฝึกฝนจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมคือการฝึกสติจนรู้แจ้งแล้วเนี่ยกายอยู่สภาพเช่นใดแม้กายพิการใจก็มีความสุขได้ พุทธพจน์ที่พระเจ้าตัดเอาไว้ว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ mm hmm. ก็น่าจะพอแล้วเนาะก็อนุโมทนาบุญกับคุณปีชาแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำงาน ในการฟังธรรมในช่วงวิสาขาบูชาแล้วก็ญาติธรรมผู้ที่ฝากไในธรรมะได้มาฟังธรรมกันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาฝากนอกจากจะความปรารถ น, นาดีให้แง่คิดให้กำลังใจอวยพรให้ทุกท่านเนี่ยจะมีสติมีปัญญาปราศจากความทุกข์และก็มีความสุข สุดท้ายก็คือสิ้นทุกในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการทุกท่านทุกคนเธอสาธุ